بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل, ل م ا نا إلا ما علمتنا إنك أنت العلي الحكيم บิ رح لي صدري و ي س ر لي م ي ق ق ي ر ي وحل ل ع ق د من ل س ا ن ي ق قولي ربنا ظلمنا انفسنا و ل م ت ل ن ر ر ا وترحمنا ل ن ك و ن ن من الخاسرين ربنا آتنا الدنيا ح س ن وفي ا ل خ ر ة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله สุขโครตอาล่ะสุขาญาวท่าล่ะครับออ <c oughs> สองสามวันมานี้เรามีเหตุการณ์ที่อยากจะมาทบทวนนะครับกับพี่น้องมีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ เหตุการณ์ ah. na ันม ah. ่ไม no ิลลล์ سبحان ا ل อ ه اللهم إ อลุ س أ ل ك ا อ ع ا ف ي ์ اللهم إ ุ ا ล س อ ل ك العافية ไม่ทราวพี่น้องได้ติดตามบ้างหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับที่โรฮิงญาเขามีเหตุการณ์ที่น่าหน้าหน้าหดหูหน้าสลดใจมากนะครับเป็นการ เผาหมู่บ้านเป็นน้องมุสลิมที่รอเงยาเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกมันไม่เหมือนกับเหตุการณ์ระเบิดที่ปารีสไม่เหมือนกับเหตุการณ์ระเบิดที่แถวตะวันตกนิดๆหน่อยๆก็จะกลายเป็นข่าวใหญ่แต่ค่าคนทั้งหมู่บ้านเผาบ้านเรือนเผาเรือก สวนไรนาะทั้งหมู่บ้านกลับเหมือนใบนะครับสื่อของตะวันตกเหมือนไม่มีเสียงรู้นะครับไม่มีอะไรเลยอินนาลิลล่ะฮ์ وإدنا إلله راجعون ตรงนี้เขามีการนัดรวมตัวกันที่จะไปยื่นหนังสือที่สถานทูดพมาทั้งสามประเทศวันเดียวกันครัอ อินโดนีเซียมาเลเซียและก็ประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรสิทธิมนุษยชนมุสลิมของประเทศไทยก็มีเรียกว่าเครือข่ายช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของสำนักจุฬาจาลงกรณ์ศรีและก็บางองคอ์กรที่ทำงานอยู่นะครับรวมรวมกันเป็นเครือข่าย ของเมืองไทย น, น้อยมากจะบอกว่าองคอ์กรที่ทำงานอย่างนี้น้อยมากแต่ก็ยังดีที่ยังมีมาเลเซียจรมงองค์กรเยอะเข้าไปไกลนะครับหนึ่งก็คือต้องมีกำลังเขามีความสามารถค่อนข้างที่จะพร้อมมากกว่าเราอาลัยฮะนะครับขอดูอาตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ร่วมกับเขาแต่ก็ที่สุดทำยังไงให้ดูอาของเรานะครับ ได้ไปถึงลอสแวนคาลาได้คลี่คลายความเจ็บปวดความทุกข์ระทมของพี่น้องที่กําลังประสบอยู่อันนี้คือข่าวหนึ่งนะครับที่เราจะต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงเราจะรับผลิตการยังไงอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แปลกผมไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้ก็บอกว่าเมื่อก่อนมันก็เคยเกิดขึ้นเกี่ไฟไหม้ที่ประเทศอิสราเอล ไปไหม้ขนาดใหญ่เนื่องจากอากาศแห้งเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศแห้งและเกิดไฟไหม้ไหมแบบรุนแรงมากจนกระทั่งรัฐบาลอิสราเอลไม่สามารถจรัดการเองได้วอลลัวฮัอลัมน่าจะเป็นการลงโทษเป็นอาสาของลอตอะลาอย่างนึง น, นะครับเราาณะที่เป็นมุสลิมเราเชื่อยอย่างนั้นก่อนหน้านี้อิสราเอลเคยไม่กี่วันนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ลงมติออกกฎหมายห้ามให้มีเสียงอัสามในซาลิสต้าในใบุลมักดิสในเยรูซาเล็มในอัลกุตส์แล้วก็ปรากฏว่ามีสอสอชาวมุสลิมอาสามในทรัพย์รัฐสภาเลยเป็นการประท้วงนะครับกฎหมายมติที่ออกมา หลายคนก็บุยงว่าเนี่ยลอสส์อาจจะให้เห็นอย่างไรก็ตามอันเนี้ยมันอาจจะเราไม่อยากจะโยงไปยงมาแต่จะบอกว่าบางครั้งเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีปัจจัยที่จะต่อสู้กับศัตรูที่มีทุกอย่างมียุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่าเราหลายขุมหลายเท่า เวลาที่เรารู้สึกว่าเราสิ้นหวังแล้วเราก็เรียกร้องว่ า, มาเมื่อไหร่อัลลอลาจะช่วยสักทีหนึ่ง س ب านันลล l a h ความช่วยเหลือของของลัอลลอฮฺมันจะมาโดยที่เราไม่คาดคิดนะครับอย่างน้อยมันก็กลายเป็นทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาสักนิดหนึ่งว่าเฮ้ยอลัลลอยังยังรับทราบความปวดร้าวของเราอยู่ นะครับเรื่องวิถีทางหรือว่ากฎเกณฑ์ของล่องสวาตตาลาเกี่ยวกับใชยชนะและกัความพ่ายแพ้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องคุยกันยาวซึ่งว่าสัปดาห์ที่แล้ววันสัปดาห์ไหนที่ไปอ่านพระทูพระที่ไหนที่สามตองไหมที่พูดถึงการช่วยเหลือของล่องสุภาของเราตาลาจริงๆแล้วตอนที่เรามีความรู้สึกว่า เราถูกประทํำเนี่ยทําไมอลัลลอฮฺเราไม่ช่วยให้จบจบสักทีอ่ะนะให้มันจบจบสักทีนี่ช่วยคนมุสลิมให้ ช, ชนะสักทีนี่จะได้ไม่ต้องใช่ด้ไม่ต้องปวดร้าวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เมื่อไรจะจะจบเหตุการณ์พวกนี้สักทีหนึ่งความรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้ว สมัยท่านนบีเองเนี่ยบรรดาสัฮาบะเองก็เคยรู้สึกแล้วก็เข้าไปหาท่านนบีสุลลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามสมัยที่อยู่ที่มักกะฮ์ขับบาบอิมรุลอะรัตนะครับได้กล่าวว่าพวกเราเข้าไปหาพวกหนุ่มๆเข้าไปหาท่านนบีท่านนบีกําลังนอนเองอยู่บนผ้าอยู่กับเงาของกะบะแล้วก็ไปบอกกับท่านนบีว่าอัลาต์จตันซึ่งเลน่าอะลลาตัดวงหล้าฮาเละมะยาราสุลลอห์ ทำไมท่านไม่ขอดูอากับอล l a h ทำไมท่านไม่ขอให้อัลลอฮฺตาลาช่วยพวกเราสักทีอันอบิบก็เลยบอกว่าคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาถูกทรมานยังไงถูกทรมานด้วยการเอาเลื่อยเหล็กมาตั้งบนหัวแล้วก็ผ่าหัวออกเป็นสองอ้อ เอาหวีที่ทำมาจากเหล็กแล้วก็มาขูดเนื้อขูดแต่พวกเขาก็ไม่ทิ้งอิมานความศรัทธาของพวกเขาแต่อยา่างใรเลยสุดท้ายนั้นบอก ว, ว่าว่าลกินนกุ้มตัศนจกจิลูนพวกเจ้ารีดเกินไปอัลลออัลวอ เรารีที่อยากจะได้ชัยชนะจาก Allah าความช่วยเหลือจาก Allah s w มันเป็นกระตและกรดัรเวลาที่เราบอกว่ามันเป็นกระตและกรดัรเราต้องอยู่เฉยๆหรือเปล่าครับในเมื่อมันเป็นกะตกรดัรแสดงว่าเราไม่ต้องทาอะไรใช่ไหมปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปใช่ไหมกและกรดัมันมี2อย่างกรดัรมันจะมีกระดักรกับกดัรช ทุกอย่างเนี่ย Allah ตาลสร้างมาบน قدر อินนีุ่ณละเชยอิน خلق นะฮู้บีคดรทุกอย่าง Allah ตาลสร้างมาบนกฎเกณฑ์บนกาหนดที่ Allah ตาลมีขีดของมันมีกาหนดของมันเรียบร้อยละสองสทุกอย่างทุกเรื่องถ้าจะอธิบายง่ายๆความหิวเวลาที่เราเหิวเนี่ยเป็นกะเะ เป็นการดาร์ขอล a l l ะ h Allah ทำให้เราหิวถ้าเราบอกความหิวเป็นการดาร์ของ Allah นั้นก็ปล่อยให้มันหิวไปเดี๋ยวมันก็จะอิ่มเองใช่ไหมเราจะรักษาความหิวยังไงถ้าเราบอกความหิวเป็นการดาและการดาร์ของ Allah ต่างๆความอิ่มก็เป็นการดาและการดาร์ของล l l a h ต่างๆนั้นเราก็อยู่เฉยๆอีกสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวมันอิ่มเองถูกต้องไหมครับไม่ถูก ต้องทํำยังไงให้หายหิวต้องหาคดดารอีกตัวหนึ่งมารักษาคดีชั่นรีเมื่อหิวก็ต้องกินมันจะได้หายหิวตอนนี้เราพ่ายแพ้อยู่เราต้องการชัยชนะต้องทํำยังไงต้องหาปัจจัยแห่งชัยชนะสิเราต้องหาปัจจัยแห่งชัยชนะว่าอะไรที่จะทําให้เรามีชัย อะไรที่จะทให้อัลลอฮฺตะลานั้นช่วยเหลือเราแล้วถามว่ามันมีไหมอัลลอฮฺตะลาบอกไหมว่าอะไรคือปัจจัยทอช่ชชนะมีครับเราจะรู้หรือไม่รู้นั้นเป็นเรื่องของเราแต่มันมีเรามัวแต่พูดอยากจะชนะอยากจะให้อัลลอฮฺตะลาช่วยแต่เราไม่ได้ทําอะไรที่จะทําให้อัลลอฮฺตะลาช่วยเราเลยแล้วมันจะชนะมันจะได้รับความช่วยเหลือได้อย่างไงโดยเฉพาะเราซึ่งอยู่ไกลาจากเหตุการณ์ Saya akan tahu tiap-tiap macam berapa. Allah Taala bawa, ya ayuhal الذين آمنوا, in tan surallah yang surh kum. Benda pusat tangan lagi. Jika pokcawu cuy Allah, Allah Taala akan jadi pokcawu. Chenna. Cuy Allah yang ngai. Ah, ni lah tempah. Kau cuy Allah reyam. เราตลาดว่าต้องช่วยพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะช่วยเราอย่าหวังว่าจะชนะกับคนอื่นถ้าเรายังไม่ได้ชนะตัวเองตัวเราเองเรายังไม่ชนะเลยแล้วเราจะไปสู้กับคนอื่นชนะได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เป็นบททบทวนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ท้อถอย ความโหดร้ายที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ความตกต่าของมุสลิมมันไม่ได้ออกไปจากกบฏและกอด า, ารของอัลลอฮ์สุบฮานตะละสักวันหนึ่งมันจะต้องมาชัยชนะของอัลลอฮ์ที่จะให้กับเราแต่เราต้องพยายามสแสวงหากอดัรตัวนั้นว่าเราจะทํำยังไงปัจจัยที่ทําให้เราได้รับชัยชนะตัวนั้นเป็นยังไงเริ่มจากตัวเราก่อนการขอดูอาก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งซึ่งเราขอย้ําแล้วก็ขอ พูดอยู่เรื่อยๆการขอด้อาเป็นอิบาดับที่ง่ายเป็นอัษบับที่ง่ายแต่เราขี้เกียจที่สุดเราขี้เกียจในการขอด้อาวอนขี้เกียจมากไม่จริงใจในการขอด้อาไม่ไม่จริงจังและก็ไม่จริงใจในการขอด้อาวันหนึ่งเราขอด้อามากแค่ไหนที่มันแบบขอแบบ จริงอะนะมาขนาดสิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยเรายังเกียจอะแล้วเราหวังจะได้ปัจจัยใัยชนะจากอย่างอื่นได้ยังไงการขอดูอาการร่วมสมทบทุนให้ความช่วยเหลือด้วยแรงทรัพย์ของเราอันนี้เริ่มเริ่มเยอะขึ้นเริ่มหนักขึ้นแล้วก็การเสียสละตัวเองไปไปลงไวในพื้นที่ไปเยี่ยมถึงที่ไปอะไรอันนี้ยิ่งไกลก็ไปใหญ่ไม่ใช่สุกคนที่สา ม, มารถทําได้ จากเรื่องเล็กๆ เ, เราไม่ทําแล้วเรื่องที่มันใหญ่ที่มันต้องลงมือลงแรงเนี่ยยิ่งทําไม่ได้สิเรื่องเล็ ก, ล ก, ลกๆก่อนเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เรามีพลังในการขอดอาุทิศอากเราต่างๆมันมีฮะดีสถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นแบบเป็นฮะดีสที่มีน้าหนักเป็นฮะดีสธะที่ท่านนบีบอกว่าอัจจุนนัสมันอาจซาบิจุอาอู่คำอับกาลคนที่อ่อนแอที่สุดก็คือคนที่อ่อนแอในการขอดุทิศขออุาิศไม่เป็น ไม่ขอดดอาพวกเราอ่อนแอมากครับต้องทบทวนเรื่องุอานี้ให้มากมากจะทำยังไงมีคำพูดจากนักวิชาการคนหนึ่งผมฟังมาหลายลนานละเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งมาหาเขาเขาเป็นครูสอนสอนอยังเป็นอุลมามะใหญ่สอนเยอเขาบอกว่ามีลูกศิษย์ของเขามาหาเขาคนหนึ่งแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าเช ฉันเนี่ยทุกวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันแหง่งเป็นวันเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์เป็นช่วงเวลาแห่งการตอบรับดวอาโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของวันก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินหลังอาซาตเขาบอกว่าเขาไม่เคยพลาดที่จะขอดูอาหลังวันช่วงวันศุกร์ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดินแล้วมันได้ทุกอย่างที่เขาขอจนกระทั่งเขา ไอ้ที่จะขออยากได้อะไรเตรียมตัวพอถึงวันศุกร์ขอตรงนั้นเลยขอตรงขอขอก่อนตรงอาทิตย์ตกอะแล้วเขาบอกว่าเขาได้จริงๆได้ทุก อ, อย่างจนกระทั่งเขาเอายที่จะขอไม่รู้จะคือถ้าขอต้องได้เขาเชื่อว่าถ้าขอแล้วต้องได้ไอ้ที่จะขออีกหละเราไม่กล้าที่จะรอ ตัวได้จริงหรื อ, รอเปล่าใครอยากได้อะไรลองขอดูนะไม่กล้าใช่ไหมลัวมันจะได้จริงหรือเปล่าที่ไม่กล้าขออยากจะได้อะไรไปขอ เ, เองก็แล้วกันนะพรุ่งนี้วันศุกร์ลองดูนะครับถ้าไม่รู้จะขออะไรก็ขอให้กับพี่น้องเราเองอย่าขอให้กับพี่น้องที่ซีเรียที่ฟิลาสตินส์ Allahu um Mustaan La Hawla Wa La q ว w w a Illa Billah นะครับงทำอะไรนะพวกเรานะครับทาทำให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ขอดูอาบริจาคช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสารแต่เรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวสารนี่ผมขอนิดหนึ่งนะพวกเราที่ชอบแชร์ข้อมูลข่าวสารให้ชัวร์ก่อนแชร์ถ้าไม่ชัวร์อย่าแชร์เด็ดขาดเดี๋ยวมันจะ มันจะเลยเถิดไป อ, อีกแบบหนึ่งแล้วมันจะกดเกิดผลกระทบที่ไม่ดีให้ชัวร์ยังไงให้ชัวร์ว่ามันเป็นข่าวจริงข่าวล่าสุดบางคนแชร์ข่าวของปีมาโวหรือไม่เกี่ยวกับร้อยงยาเลยไปเอาข่าวไปเอาภาพที่ไหนไมาจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมันเพราะมันมีกระแสมันก็ชอบแชร์แชร์แชร์แ ช, รแชรเราก็ไม่เช็คอาการมันมันพาไปอะ่ะกดไลค์แชร์กดไลค์แชร์กดไลค์แชร์ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ได้นะ ต้องชัวร์วถึงจะแชร์นะครับถ้าไม่ช่วรอย่าแชร์เพราะมันไม่มีประโยนะชน์ขอร้องนะครับขอดูอาให้มากๆนะครับพรุ่งนี้คืนนี้ก็คืนวันศุกร์แล้วนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เวลาที่ดีที่สุดที่ก็บอกว่าก็คือช่วงที่ดวงอาทิตย์จะตกดินนะครับลองดูใครอยากจะได้อะไรนะครับที่เป็นเรื่องทุกข์ใจหรืออะไรก็แล้วแต่พรุ่งนี้ลองสักขั้นหนึ่งอ่านอะัญเชาล่ะนะครับอัลลอฮ์มูอัลฟิกอัลลฮ์มูอัยน์อัลออฟิก อ่ะส ah, ุราตุลอิสซามอายะทล่ละสุราตุลอิสลามอายะที่ีครับอ่ะนิดหน่อยมีเวลาอีกนิดนึยง อินน่าอัตดนาล์ล์าฟีรีนัสเลาสิล้วะอลาลวะร อินั้ أ อับราร์ย่ช رب ุนจากแก้ว س ٍ ك มีลักษณะเหมือนแก้ฟูร ในนี้ฉั ب รับบีฮารบัดัลละฉันรับบีฮาัดัลละฉันรันี ขฟุ่นบนเนื้อเรื่อยๆแล ي َ و ْ م ًในวั ن َีَมีความเสْ ت อมทราม <ت ص في ق> وَ ะย่อมมักจะต้องรَู้ักอิหร่านและจะต้องรู้จัก الحمد لله นะสุร ah ุตุ الإنسان ฮะเบลานะรับตอนแรกที่เราได้อธิบายว่าสุรุนี้มันมีความสำคัญอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรอัลลอฮฺสุลตานุวาตาอัลลต้องการสื่อสารกับพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นอัลอินซานหรือมนุษย์นะครับ จากเดิมมนุษย์นั้นไม่ได้มีอะไรเลยและรัตตละก็สร้างเขาขึ้นมาสร้างมาด้วยความมหัศจรรย์อย่างยิ่งนอกจากจะสร้างมาให้การได้ยินการได้ฟังการได้ดูอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้รัตลต ล, ล, ละก็ยังให้หลักสูตรมาด้วยว่าจะเรียนรู้อะไรจะเป็นคนดีจะทำยังไง จะเป็นคนชั่วแนวทางของมันก็มีเสร็จสรรพเรียบร้อยให้เลือกเอาเองว่าจะเป็นยังไงเมื่อเลือกที่จะเป็นแล้วสุดท้ายก็ต้องแบกรับผลจากการเลือกของตัวเองเวลาที่ลัทธิลาบอกว่าใครจะศรัทธาก็เชิญใครจะไม่ศรัทธาก็เชิญอันเนี้ยแสดงว่าวัทธ ล, ลาต้องการให้เราไม่ศรัทธาหรือเปล่าต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ อันเนี้ยเป็นสัตเป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือว่าเป็นเครื่องหมายบอกว่าเราไม่ได้มีการบังคับมนุษย์เนี่ยไม่มีการบังคับว่าจะนับถือหรือไม่นับถือเราเราไม่บังคับคุณค่าของการเป็นมุสมินหรือมุสลิมจริงๆเนี่ยอยู่ที่การเลือกของเราเองถ้าบังคับมันไม่มีค่ า, บ, าคบังคับเป็นมุสลิมเพราะถูกบังคับไม่มีประโยชน์ ไม่มีไม่มีคุณค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องเกิดมาจากการยอมรับโดยดุษฎีต่อ Allah سبحانه ละเพราะฉะนั้นมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่เลือกแล้วก่อนเลือกต้องคิดเพราะเวลาเลือกแล้วนี่จะต้องแบกรับผลที่ตัวเองเลือกแล้วก็บอกว่าถ้าเลือกอันนี้มันจะได้อะไรถ้าเลือกอันนี้มันจะได้อะไร เพราะฉะนั้นก่อนเลือกคิดให้ดีคุณเลือกได้แล้วแต่ถ้าคุณคิดว่าอยากจะเข้านรกอยากจะโนทรมานทรกรรมด้วยการลงโทษต่างๆนานานะที่เจ็บปวดโอเคเอาเลยสิเนี่ยพอบอกเสร็จว่าอ็มมาชอร์รันว่าเอมมาคฟูรเราได้บอกทางทั้งหมดแล้วทางที่จะเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอ์หรือทางที่จะเป็นคนทรยศอัลลอฮ์มีทั้งสองทางจะเอาอันไหน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนเลือกทางไหนครับคนเลือกทางที่จะทยศอัลลอฮ์สุลตานอัลลอฮ์นี้เยอะที่สุดคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์นั้นว่าลี่ลูกกี่ลําไมาจะชกูรู ولكن الناس أ า ث ั ه م لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا ي ش ك ر و ูมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่ขอบคุณมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่ศรัทธาส่วนใหญ่แล้วนิดเดียวนะครับที่ขอบคุณต่อัลลอฮ์สุลตานอัลลอล์ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ฟู่หรอพอละตาลาบอกว่ามีทั้งสองทางแล้วละตาราก็พูดถึงการตอบแทนอินน่า أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلاهن وسعين ره ในสุรษห์นี้ละตาราไม่พูดยาวเกี่ยวกับการตอบแทนสําหรับคนที่ทำทำชั่วนะครับในสุรษห์นี้เนี่ยเน้นการตอบแทนของคนที่ทำดีล้ำจัดนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มจากพูดถึงผลตอบแทนของคนที่องเขา้าในรับ่อนแค่อายัดเดียวอินอาตัดนะแต่จริงแล้วเราได้เตรียมลิลกาฟิรีสำหรับบรรดาคนกาฟฟิรนั้นซาเลซิลซาเลซิลก็คือโซ่อัลลาละะอัลลาละอัลเลาะก็คือกรอนเขาเรียกว่าอะไรนะตรวนไหมโซ่กับตรวน รวมกันก็เป็นโซ่ตรวนซลาซิลก็คือโซ่ยาวๆอักรเลก็คือที่เขาใช้ผูกคอเหมือนผูกสัตว์ผูกอะไรเนี่ยชาวนารกเนี่ยเวลาที่ผูกคอเนี่ยจะเอามือไปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่แค่ผูกคอเฉยๆนะครับจะอุ้มือมาไขว้ไว้ข้างหลังแล้วก็เอามาผูกกับคอด้วยทรมานมากนะครับเป็นอะไรที่ที่สุดละนะเอ้าจะเป็นละกันจ้าเลย เนะสล่าส์ลซตรว์และอัลลัละวะสีกราแล้วก็เพลิงไฟที่เผาไหม้กัดกินร่างกายนะครับอย่างเจ็บปวดที่สุดข้อเดียวครับซุราะตุลอิเอนซานบอกแล้วจะเน้นภาพตารีมากกว่าธารีนะครับถ้าจะถ้าจะดูข้อที่พูดถึงการลงโทษในนรกอีกหลายๆลายะ้อเนี่ยไปดูในซุราะอื่นอื่นอีกเยอะ นะครับหรือตามที่เราบอกในสุรษะสัจเดเวลาที่อ่านในละหมาดซุบบอตอนสุขเนี่ยก็จะมีสุรษะสัจเ ด, ดจะพูดถึงนรกอยู่มากกว่านะครับในสุรัตุเลสเราพูดถึงการลงโทษในนรกเสร็จมาถึงผลตอบแทนสำหรับคนทำดีบ้างคนทำดีจะได้อะไรสุรษะนี้สวยงามมากมาชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอัมาดูกัน อันับแรกเลยอินนัลอบรอรบรรดาคนที่ทําดีทั้งหลายอัลบอรคนที่ทําดีเนี่ยอัลอบรอรเนี่ยอบรอรนี่เป็นพระผู้คดค่ะคดก็คือมาจากคําว่าบอร์คนที่ทาาาาาํ า, าททดีบิรุลวาลิดัยเได้ยินไหมครับบิรุลวาลิดัยก็คือทําดีกับพ่อแม่เนี่ย อัลอบรอรก็ค ah nah. uh ือคนที่ทาดีบรรดาพุ่งกัทาที่ต่ออัต์ต่อลเ์ตลนะครับจะได้รับอะไรยะชราบมกศินกนมิจจฮคาฟูรพวกเขาจะได้ดื่มจากแก้วกัส ทีนี้มาดูในทับซีนะครับแก๊สเวลาที่เราแปลตรงตรงมันจะหมายถึงแก้วแก้วนะ้ำแต่ในภาษาของอัลกุรอานในความหมายของอัลกุรอานเวลาที่อัลตัลลาบอกว่าแก๊สจะหมายถึงสุราโดยเฉพาะเลยเวลาที่อัลตัลลาบอกว่าแก๊สในอัลกุรอานของพระองค์เนี่ยจะหมายถึงเหล้าในสวรรค์เป็นเครื่องดื่ม ในสวรรค์ที่เฉพาะเจาะจงพูดถึงสุราสุราในสวรรค์เล่าในสวรรค์เล่าในสวรรค์ไม่เหมือนกับเล่าในดุนยาหรือเปล่าครับไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนและที่ากาลูนว่าหุมอันเหยุนอเสพนสุราในดุนยาเป็นยังไงเวลาทีม่มนุษย์ดื่มสุราในดุนยาแล้วเป็นยังไง เมาแล้วก็กลายร่างเป็นอะไรก <laughs> ลายร่างเป็นอ่านะครับแต่สุรานีสุรา น, รรนีเส ว, วานี Allah ตรลบอกว่าละฟิฮารกาวล์ไม่มีกาวล์อะไรคือกาวล์กาวนี่แหละที่จะบอกว่าคนตะวันตกเนี่ย เขายืมศัพท์จากภาษาอาหรับไปเยอะใกล้เคียงกับคำว่าอะไรเรา่า ول, ول, ول, ول, อาัลเาอัลอัลโกลอัลโกลอัลโกลอัลกอฮะอัลกอฮลอัลเร่าก็คือภาษาสมัยนี้ก็คือแอลกอฮอลลาฟีฮะโกล สุราในสวรรค์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีข้าวไม่มีสิ่งที่ทำให้เมาไม่มีปัจจัยที่ทำให้เมาเวลาผมอฮานยงซาฟูนแล้วก็จะไม่เสียสติเวลาที่เข็นเลาจะมีรสชาติที่อร่อยมากเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ฮาอันฮาในสวรรค์มีแม่ น, น้ำทั้งหมดสี่ประเภทสี่สาย ใ น, ในจำนวนแม่น้ำสีสายไปดูในสุราอะไรครับสุรา Muhammad ที่พูดถึงที่พูดถึง แ, แม่น้ำในสวนที่เขาอันฮารุนมินขมรินลลดดะตินลิชชาริบีนมินขมลเลดดะเป็นเหล้าที่โอชะลิชชาริบีนสำหรับคนที่ดื่ม เล่าในดุนีมันเป็นยาเสพติดแต่มันไม่ได้อร่อยหลักฐานก็คือคนที่ดื่มครั้งแรกจะกินไม่ได้จะออกอาการสะอิดสะเอียนแล้วก็คือพยายามฝืนกินแต่ที่กินครั้งที่สองครั้งที่สาครั้งที่สีนี่กินว่าอะไรพราติดพราะสมองสั่งให้กินของที่เราติดไม่จะเป็นต้องมีประโยชน์ไม่จะเป็นต้องอร่อย บางคนคนที่วิปริษวิปริดทางความรู้สึกวิปริดทางอารมณ์เสพติดอะไรเ็าเรียกการทำร้ายร่างกายตัวเองใช่ไหมครับทำร้ายร่างกายตัวเองมันสนุกตรงไหนแต่มันต่มันติดไปแล้วมันทำไม่ได้ก็เลยต้องทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่อให้หายความรู้สึกเสพติดนี่คือข้อเท็จจริงของเล่าในดินเนียแต่เล่าในสวรรค์ไม่มีอย่างนั้นละเติลิชาบน มีความโอชะมีความอร่อยสำหรับคนที่ดื่มมันอินนัลอบรารยาชรบูนะมิงแกซินทำไมที่มันอร่ uh ah อยการมิจเจฮะกาฟูร์มาตาลาบอกว่าเล่าในสวรรค์นเนี่ยมีส่วนผสมจากกาฟูรอันนี้ก็เป็นอีกคาหนึ่งที่เอามาจากภาษารับเหมือนกัน กาฟูร์ภาษาอังกฤษว่ายังไงภาษาไทยว่าอย่างไงก่อนอฮ<ะ>้คาราบูนสาังกฤษเรียกว่าอะไรใครที่เรียนภาษาเรียนเทมีคาราบูนภษาอังกฤษว่าอะไรเขาอ่านว่าอย่างไงคําโพอะไรนะ C H C H A M P O R อ่านว่าอย่างไงคําโพหรือเปล่าก็คือถอดถอดรากศัพท์มาจากคําว่ากาฟูร์ มันมีฤทธิ์เป็นยาหอมนะครับแน่นอนว่าไอคาระ บ, บูนในโลกดุนยามันก็ไม่เหมือนกระ บ, บูนในสวรรค์อีกแต่ไม่ใช่ว่าเอาการะ บ, บูนที่มันปกติแล้วกระ บ, บูนในดุนยาเนี่ยเขาเอามาใช้ใมาทํายามากกว่าที่จะเอาไปผสมในอาหารใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีถ้าคนที่ชอบกินเหล้าเยอะๆเนี่ยถ้ามาอ่านอายัด น, นี้อาจจะเอาการะ บ, บูนไปผสมในเหล้าก็ได้ <laughs> <laughs> <laughs> เป็นสูตรใหม่ก็ได้ <laughs> สูตรจากสุราตุลอนินชาอาลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลนอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอมฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลาฮฺอัลลอฺ่อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺกัล่อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ่อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั่ ย, ะ ย, ะ ย, ะ ม, ม, ยมีส่วนผสมที่ เหมือนกาแฟอ่ะเอาเอาเอ า, เอาเข้าวกาแฟกาแฟที่เรารู้จักก่อนเอสเปรสโซ่ก็เป็นแบบหนึ่งอ่าคาฟชิโน่ก็มีส่วนผสมของมันมันก็คือกาแฟนั่นแหละแต่ว่าสัดส่วนในการผสมของมันเนี่ยมันจะแตกต่างกันคาฟชิโน่ ล, ลาเต้อะไรอีกโมคาอเมริกาโน่ไปไป ม, มาๆมันก็กาแฟใส่นมธรรมาดมาธรรมาดานั้งชื่อจะรู้ใช่ แต่เจ้บอกว่าเครื่งองดื่มในดุนยาเนี่ยโอ้โหคนเรามันคิดค้นนะมีศาสตร์เฉพาะในการผสมถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับในสวรรค์เนี่ยคุณจะได้กินที่มัน p ร r เสรกว่านั้นเยอะนี่หนึ่งรอกว่าปีมาแล้วสี่พัน0รอกว่าปีมาแล้วเท่าห ร, ร่เอาราบศาสตร์อายความสุขที่มนุษย์จะได้รับในสวนสวรรค์ พี่น้องลองคิดดูสมัยนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าความศิวิไลของมนุษย์เนี่ยมันจะถึงขั้นความศิวิไลในเชิงมติอะตเนี่ยมันจะถึงขั้นศิวิไลเหมือนกับยุคสมัยนี้หรือเปล่ายุคสมัยนี้เนี่ยอัลอฮ์เขาเรียกว่าอตเตฟ น, นุนฟิลมาซีศิลปะในการทรอรอยอัลลอฮ์เยอะม า, จากจะทรอรอยอัลลอฮ์นี่มีศิลปะ คนสมัยก่อนเวลาที่จะทรยศอัลลอฮ์คงไม่มีศิละปะถึงขนาดนี้แต่ปัจจุบันนี้โอ้จะ ท, ทาผิดทั้งทีนี่จะต้องเตรียมตัวจะต้องซื้อตัว๋วจะต้องโอ้นะออุบิลล์มินดาลเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามกันบางทีเขาคิดว่ามันเป็นสวรรค์ซึ่งใช่ที่ท่านนบีบอกว่าอันดุเนียซ si ิจุมินะันนุะันนุลา ดุนยียะนี่เป็นเงินสวรรค์สาหรับคนกาเฟตเขาคิดว่าเป็นสวรรค์ของเขาที่เขาทําทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราอ่านสิ่งที่ลอตตาลาพูดถึงสวรรค์ของพระองค์ในในใ น, ในวันอคัคราสเนี่ยเราก็จะเห็นมนุษย์พยายามที่จะเรียนแบบสวรรค์ของลอตตาลาในโลกดุนียะนี่เกือบทุกเรื่องเริ่มตั้งแต่เล่าที่พักที่อยู่ที่อาศัยเตียงนอนทุกอย่างเลยการบริการบริการ เอาเวลาที่เราไปโรงแรมที่หรูหรสวยๆมีครบทุกอย่างมีบริการนวดบริกรก็ตแต่และคนใส่ชุดใส่อะไรมียูนิฟอร์มของมันซึ่งเนี่ยโซลุเลนเซนนี่จะพูดเดี๋ยวอายัดหลางๆนี้จะพูดเรื่องแรกเนี่ยเรื่องด้วยเหล้าก่อนเรื่องด้วยสุราก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูดที่สุดในโลกดุนยาเราไม่มีโอกาสจะได้ลิ้มสุราเพราะมันเป็นสิ่งที่ฮารอง แล้วรู้ว่าจะมีอัลเลที่บอกด้วยใครที่เคยกินเหล้าในดุนยาอัลลอฮ์ต้าล่าจะห้ามไม่ให้เขาได้กินเหล้าที่อร่อยในสวรรค์ อ, อ, อ, อ, อีกอีกรอบหนึ่งนั่วซูบินละกันมึงแต่หล่ะนะไม่รู้เหมือนกันว่ารวมถึงคนที่เตาบัตตัวด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้คือนะครับคํามั่นสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้า่ามีแจจฮะกาฟูร์ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ต้าลาผสมยังไงแต่ว่ามันจะได้สิ่งที่ พิเศษที่สุดนะไม่เล่าธรรมดาธรมดาหมักกินเลยแล้วก็เมาไม่ใช่นะครับมีสัดส่วนของมันไอินนยัชรับบบิฮาอิบาดุลลอหยูฟัตจีรูนฮาทัฟจีราเล่าเป็นตาน้ำไม่ต้องเทจากอะไรก็เรียกจากขวดอยากจะกินอะไร อนั้นยิ่งรับุญให้กบาดค์พระผู้เจ้ิังจีางยตามใจนึกตั้งีราทุกที่ที่เป็นที่ของเขาเป็นอนาณาจักรของเขาในสวรรค์เนี่ยเขาจะให้น้ำพุกเล่าเกิดมาตรงไหนอออกมามันก็จะออกมาไม่ใช่แค่มันนั่งกินในห้องครัว ไม่ใช่ห้องนอนก็มีอยากจะให้มันไหลลงมาลงห้องนอนของใส่ปากเลยก็ได้อ่ะเอ็ครับนี่คือความสุขเ้าไม่อยากแล้วนี่คือความสุขทามใจฉันอยู่ฟัตจิรุนะฮะตัตจีเราท้องไหนก็ได้จะให้ออกต้นที่ต้นไม้จะให้ออกที่เสาจะให้ออกที่พื้นจะให้ออกที่ไหนก็ได้อยู่ฟัจิรุนะฮะตัตจิราอาละเอาละให้ติดกัเรากาหนดเอง เหมือนเวลาที่เราเห็นไหมเวลาที่เขาบ้านสวยๆโรงแรมรีสอร์ทสวยๆอ่ะใช่ไหมมันจะมีน้ําพุเล็กๆอยู่หน้าห้องก็มีห้องรับแขกก็มีบางทีในห้องน้ำก็ยังมีน้าพุที่มันแบบเปิดก๊อกแล้วก็ไหลออกมาเอื่อยๆเรื่อยๆอ่ะน่ที่บอกว่ามนุษย์พยายามที่จะเรียนแบบภาพของสวรรค์เราอักบัตนี่แหละสวรรค์ที่นั่นนันเรียกว่ามาละไอนุนระตตาเราไม่เคยเห็น ولا อุณหภูมิสัมผัส ولاخطر ์แก่กลบีบชรเราเราจินตนาการได้แต่มันจินตนาการไปไม่ถึงจินตนาการของเราไม่ใช่ของจริงเราจะจินตนาการถึงสวรรค์นขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ของจริงของจริงเลิะ ก, กว่าจินตนาการของเราเยอะจินตนาการได้สิคุณอยากจะจินตนาการถึงสวรรค์ยังไงจินตนาการไปเลยแต่มันไม่ใช่สวรรค์จริงๆ ก็สวรรค์จริงๆว่าสลับปิดไม่ให้เราเห็นในโลกตุนยานี้ถ้าอยากจะเข้าสวรรค์อยากจะเข้าสวรรค์เลยตายแล้วเนี่ยเข้าสวรรค์เลยเนี่ยใครอยากจะเข้าสวรรค์เลยหลังจากตายบ้างไม่ต้องรอวันอัคราสวรรค์เล็กๆก่อนมีไหมสวรรค์เล็กๆก่อนที่ถึงวันอัคราเห็นไหมครับนี่แหละที่ทําไมที่เราต้องพูดถึงสวรรค์ เวลาที่เราพูดถึงสมจะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำดีต่อโลกภูมิสาะสองอย่างได้ดื่มน้ำเหล้าจากแก้วซึ่งออกมาจากตาน้ำที่สั่นได้ตามใจนี่อยู่ฟัจิรูนะฮะตฟจรอนี่คือความหมายของมันทุกมุมทุกแห่งในสวนสวรรค์เนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยก็คือไม่ต้องพบนะ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือต้องพกขวดเหล้าไป่ีเวลาที่ดูหนังจีนหนังจีนนะไอ้ไอ้ไอ้สมัก่อนมันจะมีหนังจีนอะไรที่ว่าฮะอะไรนะก็ใส่นาอะไรนะน้ำเต้าหนังจีนโบราณเนี่ยเคยดูสมัยเนี่ยสมัยวัรุ่นรุ่มหนุมนุ่มหนังจีนเชื่ออะไรล่ะอที่พกน้ําเต้าอ่ะหลงจีนลงจีนเมาอ่ะลงจีนที่เมาแล้วก็ชอบหมายเวลาไปก็ต้องพก เล่าไปด้วยเวลาฉลองก็ฉลองกับเล่าเวลาคารวะกับคารวะกับเล่าในสวรรค์ไม่ต้องครับในสวรรค์ไม่ต้องพกน้ำเต้าไปอยากจะกินที่ไหนมาเลยยิ่ง ม, มาเลยนะครับแล้วก็แก้วในสวรรค์ก็มีลักษณะที่หลากหลายอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะได้อ่านกันมีอีกหลายอายัดนะครับที่พูดถึงนะความสุขแล้วก็ภาพต่างๆที่สวยงามในสวรรค์ที่ถนะอดแบบนะที่มนุษย์พยายามจะถอดแบบเหมือนกับที่อัลลอฮ์สั่งเราแต่ละ ได้เตรียมเว่าเน้กับเราในวันอขาขีรัดเลยทีเดียัอยงอากที่เราไปว่าอย่างไงอากที่เราไปอยูฟูนบินนะจีอินชาอัลลอฮ์ na i, ครับเนะี่ยจากที่เราพูดถึงสาเหตุที่ทําให้คนคนหนึ่งนั้นได้เข้าสวรรค์อสาเหตุที่ทําให้เรานั้นได้ดื่มเหล้าอันโอชะในสวรรค์ได้มีความสุขในสวรรค์เนี่ยเพราะว่าเราทําอะไรบ้าง ในจานวนอามัลอิบดที่เป็นอิบะดของชาวสวรรค์อามัลอิบดที่เป็นคุณลักษณะคุณสมบัติของชาวสวรรค์เนี่ยที่อัลละลาพูดถึงในสราห์นี้มีอะไรนะฮะอัลลเราจะได้มดูกันอัลลอฮ ع ا ل ى าะลัมาะตะนะละห์วะอียะคุมลิมัฮิบวราะห์สุลลัลลอฮฺอะอุมะินุอะลฮลลัมุบฮานะรบิรบลตมายิฟนล سلام ุลลมุสลินุลฮัมดุล i l l a h o m i l l a h Sim. Uh -huh.